ให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกดับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ต่อเนื่องให้ชัดเจนแต่จะตื่นขึ้นมาพวกเราพวกท่านได้เจริญสติแล้วด้วยยังแต่ยังก็พยายามสร้างขึ้นมาให้เกิดความเคยชิน ไม่ว่าจะอยู่ในอริยปทไหนอยู่ที่ใดพยายามหัดสร้างความรู้ตัวแล้วก็รู้เท่ารู้ทันรู้ลักษณะของใจใจที่ปกติเป็นลักษณะอย่างนี้ใจที่ไม่มีกิเลสการขัดเ ก, าก่ากิเลสกิเลสเกิดขึ้นอย่างเช่นความโลภความโกรธความเทะเยอทยานอยากการเกิดของใจ เราก็รู้จักหยุดรู้จักดับเจริญสติเข้าไปอบลมไม่ใช่ว่าจะปล่อยเลยตามเลยเจริญสติเข้าไปชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็ น, ห น, ห น, หนผลว่าอะไรควรละอะไรควรเจริญ อ, อะไรควรดาเนินมองเห็นหนทางเดินอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศล เราพยายามผักไ่สนใจมีความสุขในการดูในการรู้ในการทำความเข้าใจท่านทึงบอกว่าให้รอบรู้ในกองสังขารให้รอบรู้ในวิญญาณในขันห้าในกายของเรารอบรู้โลกธรรมคื อ, อ, อลาบยศสารเสวญสุขทุกนินทารอบรู้ในปั จ, จัยสิแล้วก็แสวงหาด้วยปัญญาอย่างสมมุติให้เกิดประโยชน์ ไม่ให้ใจของเราเข้าไปร่วมเข้าไปยึดแต่เราต้องคลายภายในให้ได้จเจริญสติเข้าไปแยกสังเกตแยกรูปแยกนามที่ใจของเราให้ได้เช่นก่อถ้าใจของเราคลายขันห้าไม่ได้มันก็ยึดขันห้าแล้วก็ไปยึดเอาหมดทุกอย่างถ้าใจของเราคลายหรือว่าแยกรูปแยกนามภายในได้มันก็วางทุกอย่างแต่นี้เราก็มาละกิเลส ใจเกิดกิเลสก็รู้จักละรู้จักดับรู้จักให้รู้จักเอาออกแต่เอาวันตื่นขึ้ น, นมาใจของเรามีความเสศระเต็มเปี่ยมหรือไม่หรือว่าใจของเรามีความตนีแน่วแน่นมีความทะเยอทยานอยากมีทิฐิมานะต่างๆเราก็พยายามขัดเก่าเอาออกอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ใจที่ปราศจากกิเลสเขาก็บริสุทธิ์ใจที่ไม่เกิดเขาก็นิ่ง การเกิดของใจนะั่นแหละก็คือความหลงอันลุ่มลึกหลงอย่างละเอียดถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดแต่เวลานี้ใจเกิดมาสร้างขันห้าปิดกั้นตัวเราอันนี้ก็หลงอีกหลงในขันห้าอีกขึ้นมาอีกมีขันห้าแล้วก็หลงในรูปรสกลิ่นเสียงหลงในโลกธรรมอีกมันจะเป็นชั้นๆของเขาหยุกถ้าเรามาจเจริญสติเข้าไปแยกแยะดูคลายกิเลสหยาบแล้วก็กิเลสละเอียด สังเกตวิเคราะห์จนใจคลายออกจากขันห้าหงายเหมือนกับหงายของที่คว่ำแล้วก็ขัดเกล้กิเลสละเอียดที่มีในใจของเราแล้วก็ดับความเกิดของใจใจก็จะบริสุทธิ์หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆเหลืองแต่ปัญญาบริหารสมมุติ อันนี้พูดในหลักธรรมขั้นสูงเลยแต่ฐานบารมีความเชสละความอดทนการให้การเอาออกการทำความเข้าใจการทำบุญให้ทานตรงนี้มีกันอยู่กันเต็มเปี่ยมแต่การเจริญสติต้องต่อเนื่องเข้มแข็ง แล้วก็ชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผลมองเห็นตามความเป็นจริงเราก็จะเข้าใจในคาสอนของพระพุทธองค์ว่าท่านสอนอัตตาเป็นอย่างนี้อนัตตาเป็นอย่างนี้ความว่าคาว่าสมมุติวิมุติเป็นลักษณะอย่างนี้ต้องแยกได้ทำความเข้าใจได้อยู่กับสมมุติจนกว่าจะหมดลมหายใจกายของเรานี่แหละก้อนสมมติไม่ใช่ที่ไหนเลย ทีนี้ก็สมมุติต่างๆที่เราก็ไปยุ่งเกี่ยวก็พยายามกันมันสร้างอา น, นิสงส์สร้างบุญสร้างบุญมีกันอยู่ตลอดพวกเรามาวัดก็มาทําบุญเพื่อที่จะขัดเกล็กิเลสถ้าเราละกิเลสไม่ได้เราก็มาไม่ได้เพื่อที่จะขัดเกลวเอาออก อ, อนุเคราะห์ถัดขันตัวเราแก้ไขตัวเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอย่าลืมในการทําบุญให้ทาน ไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่ไร่อยู่นาอยู่ที่ทำการทำงานล้วก็รู้จักการสังเกตการวิเคราะห์สักวันหนึ่งเราก็คงจะเข้าถึงลมรลลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรปับปรุงตัวเราใหม่อยู่ตลอดเวลาไม่ถึงช้าก็ต้องถึงเร็วไม่ถึงวันนี้ก็พรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้ามันไม่ถึงจริงๆรงร่งก็จะไปต่ออภพบหน้าในสิ่งที่พวกเราทำจะติดตามตัวเราไปไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดตำบลใดก็จะอยู่กับเรานั่นแหละ อกุศลก็อกุศลเพราะว่าใจก็เป็นของเราก็พยายามทำความเข้าใจกันวันที่สองกรกฎาวันอาทิตย์ที่สองกรกฎามีโอกาส ก็ขอเชิญชวนพี่น้องเรามาร่วมกันฉลองสมโพธ์องค์พระปฏิมากรองค์พระพุทธรูปที่จะมาถวายมอบไว้ไที่โรงเรียนและก็เชิญชวนพี่น้องเรามาร่วมรวมพลังกันสร้างกองพระ ป, ป่ามาเพื่อที่จ ะ, ะสร้างมาหาเจดีย์ใหญ่ของเราด้วยมันที่สองตรงกับวันอาทิตย์ ก็บอกกล่าวพี่น้องเราบอกกล่าวเทวดาทั้งหลายมีโอกาสค่อยมาร่วมกันมาสร้างบุญมายังบุญให้เกิดประโยชน์ฝากเอาไว้ในแผ่นดินฝากเอาไว้ในสมมุติฝากเอาไว้ให้เป็นสมบัติของส่วนกลาง มีโอกาสโอกาสเปิดการเวลาเปิดสถานที่เปิดก็บอกากับพี่น้องของเรานะวันที่สองกรกฎาคมก็คงจะเป็นช่วงเช้าจากเก้ามงไปหาเที่ยงฮาเพนมีโอกาสก็ขอเชิญมาร่วมสร้างกองพระป่าเพื่อที่จะฉลองสมโพธิองค์พระพุทธรูปองค์พระปฏิมากรแล้วก็เพื่อที่จะช่วยกันมาสร้างมหาเจดีย์ใหญ่ ให้สำเร็จลุล่วงลงไปเอาละวันนี้เข้ะเจริญทรรมเบ่งตอนนี้ปากันไหวพระพร้อมๆกันปากันไปสร้างฐานเต่อทำความเข้าใจกันเอา